2. กตาปฏิวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัตเท่าไรหร่ 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัตในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งหถามเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไรตอบ เพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัตสี่อย่างคือ 1. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในซากศพที่ยังมิได้ถูกสัตว์กัดกินต้องอาบัตปาราชิก 2. ภิกษุเสพเมถุนธรรมในซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากต้องอาบัตทุลจัยสภิกษุสอดองคฆชาติ เข้าไปในปากที่อา้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัตทุกกฎ 4. ภิกษุณีต้องอาบัตปาจิตตีเพราะใช้ท่อนยางเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัยต้องอาบัา ต, ส, บตออบสี่อย่างเหล่านี้